โเมรีเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วมารีก็ไปทำงานในโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหน้าตาของมารีไม่ได้สวยสะดุดตาเท่าไรนักอาจจะขี้เร่สำหรับบางคนเสียด้วยซ้ำแต่เสน่ของมารีคือความขยันเอาการเนางานและรู้จักประหยัดอดออมด้วยเหตุนี้เองเลก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 ไม่ต้องไปรักอิมารีมันฉันก็มีอพี่นะเล็กชะงักไปครู่หนึ่งแต่ก็คิดว่ามารีอาจจะเพ้อได้ริดใครเพราะเธอมีอาการตัวร้อนอยู่ด้วยหลังจากวันนั้นมารีก็ล้มป่วยไม่สบายญาติญาติที่อยู่บ้านใกล้เดือนเคียงก็พากันมาเยี่ยมแต่ก็ถูกมารีมองตาขวางและขับไล่ไปด้วยท่าทีหงุดหงิด